จะปฏิบัติจนได้พบสภาวะธรรมเป็นที่พึ่งในด้านจิตใจอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติจะต้องสำรวมใจตนเองให้ดีว่ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ศรัทธานั้นต้องเป็นศรัทธาด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาด้วยความงมงายศรัทธาด้วยปัญญาก็คือได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าและพิจารณาด้วยเหตุผล ถึงคุณถึงโทษถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ถึงสุขถึงทุกข์ถึงซึ่งสิ่งที่ควรทำถึงสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วว่าหลักธรรมประกอบด้วยเหตุผลอันถูกต้องเป็นแนวทางแห่งความสุขและเป็นแนวทางแห่งความพ้นทุกข์อันประเสริฐอย่างแท้จริงพระธรรมนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์และมีพระปัญญาแล้วก็มีความกรุณาอันประเสริฐที่ต้องการให้คนและสัตว์พ้นโลกพ้นทุกข์ตามพระพุทธองค์ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามจนพบธรรมเห็นธรรมอันประเสริฐนั้นคือพระสง์อย่างแท้จริง ตามหลักที่ท่านสอนเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารที่มีทุกข์อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตัวเรามีเจตนาอย่างแท้จริงในความต้องการที่จะพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เมื่อเราต้องการพ้นทุกข์เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมจึงจะสำฤทธิผลได้ แต่ถ้าความเอาจริงเอาจังไม่มีปฏิบัติแบบบางครั้งบางคราวที่เล่นทีจริงแบบเบื่อๆยากๆปฏิบัติแบบตามๆกานแล้วเบื่อง่ายถ้าเป็นแบบนี้จะให้ได้ผลจนพบสภาวะธรรมนั้นเป็นไปได้ยากแต่ก็ยังจัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เหมือนกันแต่ไม่เต็มที่จะต้องสะสมอีกนาน แต่ถ้าทำอย่างจริงจง จ, งจังจังจุดหมายก็ไม่ไกลเกินความพยายามผู้ที่จะปฏิบัติธรรมต้องมีศีลเป็นพื้นฐานศีลคือการงดเว้นจากความไม่เหมาะสมทางกายวาจาตามพระพุทธบัญญัติเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีล น, นั้นให้ดูที่เจตนาเป็นหลักไม่ต้องขอศีลกับพระ ก, ก็ได้ ถ้าจิตเรามีเจตนาในการงดเว้นในศีลนั้นๆได้ดีพอแต่ถ้าจิตยังไม่มั่นคงดีพอก็ควรสมาทานบ่อยๆทุกวันก็ดีที่สำคัญก็คือเจตนาในการงดเว้นจากบาปอากุศลทั้งมวลศีลนั้นมีไว้เพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อความยึดถือ สมาธิดูก่อนอานอนท์ทำอย่างหนึ่งคืออนาปานสติสมาธิพิกษุจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสีให้สมบูรณ์การฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสมาธินั้นแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจะยืนจะเดินนั่งจะนอนจะหลับตาจะลืมตาก็ไม่สำคัญ ถ้ามีความชำนาญเพียงพอและเข้าใจถึงเหตุปัจจัยแห่งสภาวธรรมแต่สำหรับผู้ฝึกใหม่หรือยังไม่ชำนาญพอการหาสถานที่ให้เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญและการฝึกด้วยการนั่งหลับตาก็เหมาะดีเพราะถ้าลืมตาจิตยังไม่ชำนาญจิตจะไปสนใจอยู่กับรูปที่มองเห็นจิตก็จะเป็นสมาธิได้ยาก ก่อนจะนั่งสมาธินั้นถ้ามีการสวดมนต์ไหว้พระและสมาทานศีลด้วยก็ดีแต่ถ้าชำนาญดีแล้วก็ไม่จะเป็นอะไรจิตอยู่กับสมาธิได้เลยโดยไม่เกี่ยวกับพิธีการอะไร ตควรนั่งท่าไหนจาเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิหรือไม่การนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าสภาพของร่างกายเราไม่เหมาะสมก็ไม่จำเป็นอะไรให้นั่งท่าที่มันสบายโดยเหมาะสมให้กาหนดจิตจิตคือการรู้อยู่ที่สิ่งที่ควรรู้ ขั้นแรกของการปฏิบัติการกำหนดให้รู้ลมหายใจคือเวลาหายใจเข้าให้นึกถึงคำว่าพุทธเวลาหายใจออกให้นึกถึงคำว่าโทให้กำหนดชัดๆสามถึงเจครั้งก่อนแล้วต่อไปก็หายใจแบบสบายที่เหมาะสมกับเราไม่ต้องเกรงอะไรไม่ต้องเกรงอะไรมากให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าคือพุทธ กำลังหายใจออกคือโทให้เรากำหนดตามวิธีนี้ไปเรื่อยๆทำไปสักระยะหนึ่งจิตจะส่งไปรับรู้อารมณ์อื่นๆเมื่อมีอารมณ์อื่นเกิดขึ้นใหเราบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งอื่นเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนรอก่อนขอจเจริญกรรมาฐานก่อนสิ่งอื่นยังไม่สนใจตอนนี้ ต้องต่อสู้กันเจ้นหน่อยเหมือนมีสองสิ่งอยู่ข้างหน้าเราคือรู้ลมกับความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆในเรื่องโลกอยู่ที่เราจะเอาจิตไปจับอยู่กับอะไรถ้าเรามีความเพียรพยายามดีเราก็จะชนะถ้าเรามีความเพียรพยายามน้อยเราก็จะแพ้ต้องดูว่าเรามีใจสู้มากน้อยแค่ไหน เพราะการปฏิบัติถ้าจิตยังไม่ชำนาญดีพอมันก็จะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่อย่างนั้นชะแพ้มากหรือชนะมากก็ทำไปเรื่อยๆขอให้มีความพยายามที่จะสู้ต่อไปบางคนบางวันแพ้แล้วเกิดความท้อแท้และท้อถอยแล้วก็เลิกปฏิบัติทำความดีนั้นโดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าข้างกิเลสว่า เราคงมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยคงปฏิบัติแบบเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ทำต่อนิจัดว่าถูกกิเลสในใจของตนเองหลอกเอาแล้วก็ยังคิดว่าตนเองคิดแบบนี้ฉลาดแล้วและถูกต้องดีแล้วโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโง่กว่ากิเลส พยายามทําไปเรื่อยๆจนจิตเริ่มเกิดความชํานาญจิตจะแนบแน่นอยู่กับพุธลมเข้าโทลมออกได้มากยิ่งขึ้นให้พยายามทําต่อไปเรื่อยๆชนะบ้างแพ้บ้างก็พยายามทําไปอย่าท้อถอยเมื่อจิตมีความชํานาญมากขึ้นให้วางคําบริกรรมพุธโทโดยให้รู้เพียงลมอย่างเดียว คือขณะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าขณะหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออ ก, ก, ห ใ, ออกให้จิตกำหนดจดจ่ออยู่ที่การรู้ลมเข้าลมออกเท่านั้นหรือถ้าจิตฟุ้งซ่านมากคิดไม่ตกก็ยังหดหิดกับสิ่งนั้นนั้นให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือความไม่เที่ยงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถึงจะสงบหรือไม่สงบแต่เราก็รักษาจิตไม่ให้หดหิด และวิตกกังวลกับอะไรจนได้เวลาพอสมควรแล้วก็เลิกวันใหม่เวลาใหม่ก็ทำอีกจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปคาดหวังหรือจริงจังอะไรมากนะักให้รู้ว่าหน้าที่ทำความดีก็ทำไปสะสมไปถ้าอยากจนเกินความพอดีจิตจะสงบได้ยากจงสู้ต่อไปเรื่อยๆทำให้ได้ทุกวัน วันละหลา ย, ลายครั้งครั้งละนานๆก็ดีหรือไม่นานก็ทำไปถ้าใครที่จิตละเอียดดีกำหนดรู้ลมเข้าลมออกโดยไม่ต้องใช้คำว่าพุทธโธกากับลมก็ได้ขอให้เป็นไปเพื่อให้จิตแนบแน่นรู้อยู่กับลมเข้าลมออกก็ใช้ได้เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหรืออาจจะนาน หรือไม่นานก็ได้ไม่แน่อะไรจิตจะมีความชำนาญมากขึ้นความตั้งมั่นก็ดีขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดมากขึ้นให้สังเกตดูว่าจิตคือผู้รู้ลมคือผู้ถูกรู้เมื่อจิตมีความชำนาญมากขึ้นอีกลมก็จะละเอียดมากขึ้นจนมีลมแต่เหมือนไม่มีลมถึงตอนนี้ให้สังเกตจิตให้ดี จิตคือผู้รู้แต่ผู้ถูกรู้คือลมหายไปให้เรารู้อยู่กับผู้รู้คือจิตรู้จิตนั่นเองโดยไม่ต้องไปรู้ลมพอถึงตอนนี้จิตจะสงบและดิ่งลงสู่สมาธิความแนบแน่นในสมาธิก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆความนึกคิดในสิ่งต่างๆจะหายไปจิตจะดิ่งอยู่กับสมาธิเท่านั้น สมาธิแบบนี้จัดว่าเป็นสมาธิแบบหินทับยากสมถกรรมฐานคือมีความสงบแต่ไม่มีปัญญาที่สมบูรณ์ที่จะตัดกิเลสได้อย่างจริงจังแต่ก็จัดว่ามีประโยชน์เพราะเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนากรร ม, มฐาน จิตสงบลุ่มลึกและแนบแน่นอยู่กับสมาธิจนพอควรแล้วให้เราสังเกตความลุ่มลึกนั้นโดยให้ผ่อนความแนบแน่นและความลุ่มลึกของสมาธินั้นเหมือนให้ถอยออกมาหน่อยหนึ่งไม่ให้ลุ่มลึกจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ออกมาอยู่กับความคิดปรุงแต่งแบบโลกโลกเหมือนโดยทั่วไปโดยให้สังเกตจิตว่าเป็นความรู้สึกของสติสัมปชัญญะ คือเป็นความสงบที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่จะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ให้สังเกตจิตในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ไปเรื่อยๆอเวลาออกจากสมาธิแล้วจะอยู่ในอุรยาบทใดจะเป็นยืนเดินนั่งนอนก็ฝึกจิตโดยพยายามทรงอารมณ์ของสติสัมปชัญญะให้ชำนาญบางครั้ง เราก็อยู่กับการรู้ลมเข้ารู้ลมออกบางครั้งเราก็อยู่กับความสงบในสมาธิบางครั้งเราก็อยู่กับสติสัมปชัญญะนี่เป็นการเจริญสมาธิโดยอาศัยพื้นฐานไปจากการเจริญอนาปานาสติ เจริญสติปัฏฐานสี่อน า, าปานาสติสมาธิพิกสุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อันพิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังพุทธชงเจ็ดให้บริบูรณ์การเจริญสติปัฏฐานสีนั้นต้องเจริญในชีวิตประจําวันทั้งเวลานั่งสมาธิและไม่ได้นั่งสมาธิ ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดให้สม่ำเสมอให้รู้ว่าชีวิตคือการเจริญสติการเจริญสติปัฏฐานสีนั้นให้เอาจิตคือผู้รู้เป็นศูนย์กลางเพื่อรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปโดยให้รู้ถึงสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเพราะความรักความยึดถือในสิ่งนั้นๆมันจึงเป็นทุกข์ สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเราและอัตราตัวตนของเราให้รู้และพิจารณาสิ่งต่างๆนั้นเป็นไตรลักษณ์กลับไปกลับมาด้วยความคิดของเราเองเช่นตอนนั่งสมาธิเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกบางครั้งก็อยู่กับสมาธิสงบนิ่งอยู่บางครั้งก็อยู่กับสติสัมปชัญญะบางครั้งเราก็พิจารณาในสติปัฏฐานสี่ ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรสติปัฏฐานสี่นั้นประกอบด้วยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมกายในกายคือการพิจารณาให้รู้ความเป็นจริงของร่างกายเราและร่างกายของผู้อื่นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม คนที่ตายแล้วเมื่อเข้าเอาไปเผาตัวตนสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่มีอย่างแท้จริงเขาจะเป็นเช่นนั้นเราเองก็จะเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันที่สุดก็เหลือเพียงกองดินที่เรียกว่ากระดูกอยู่หน่อยเดียวทรัพย์สมบัติที่ดิ้นรนสแสวงหามาด้วยความยากลำบากที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้ ทิ้งไว้เป็นสมบัติของโลกเท่านั้นและร่างกายที่ยึดติดในความสวยความงามนั้นมันก็เป็นเพียงมายาลวงตาชื่อคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งความจริงก็จะปรากฏให้เห็นถึงสภาพของความแก่งงอมเหมือนคนชราทั่วๆไปหรือถ้าเราแยกอวัยวะออกเป็นสาสบสองกองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต หัวใจตับพังผืดน้ำปอดไส้ใหญ่และไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดเยื่อมันสมองลองดูความสวยงามที่แท้จริงอยู่ตรงไหนหรือส่วนที่เป็นกระดูก ก็มีกระดูกอยู่สามร้อยท่อนร่างกายนี้ความจริงเป็นที่ประชุมรวมของสิ่งสกปรกต่างๆได้แก่ดินคือส่วนแข็งน้ำคือส่วนเหลวไฟคืออุณหภูมิความร้อนในร่างกายลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลมที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเรานั่นเองเพื่อให้รู้ความจริงเป็นของกายนี้ ว่ามันไม่สวยงามอะไรอย่าไปหลงงมงายอะไรกับมันนักเลยหรือว่าใครที่เราว่าสวยว่างามถ้าตายแล้วสักเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนลองไปดูความสวยงามจะหยุดตรงไหนนี่เป็นการพิจารณาเพื่อให้รู้ความจริงของร่างกายนี้หรือขณะที่เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกนั้นก็จัดว่ารู้กายในกายเหมือนกัน เพราะลมก็จัดว่าเป็นกายด้วยการที่เราอยู่ในอุรยาบทใดๆเราก็รู้ว่าเป็นอุรยาบทนั้นๆและมีความรู้สึกต่อการกระทำต่างๆจะกระทาสิ่งใดเราก็รู้อยู่ในสิ่งนั้นๆก็จัดว่าเป็นการรู้กายในกายด้วยการพิจารณากายในกายนี้ก็เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงของกายนี้และเพื่อละความพอใจ และไม่พอใจในโลกนี้เสียทั้งกายเขาและกายเรามันก็ไม่มีอย่างจริงจังดังนั้นก็ไม่ควรยึดถือผูกพันเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาได้ควรที่จะพิจารณาทบทวนไปทบทวนมาแยกแยะไปต่างๆด้วยความคิดพิจารณาด้วยตนเองบ้างจำมาจากตำราบ้างปัญญาเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ